ความสุขฉบับประมวลความสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออปยุตโตบทสรุปสุดท้ายของหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเพื่อความเข้าใจจุดหมายแห่งพุทธธรรมและปฏิบัติได้ถูกต้องตรงทางอริยามรรคย่างแท้จริงเป็นบทสรุปและขยายความจากบทที่แล้วคือเรื่องความสุขฉบับแบบแผนสาหรับพุทธธรรมนั้นมีโอกาสคนอ่านหรือฟังให้จบสักครั้ง เพราะถึงแม้จะยังไม่เข้าใจแต่วิบากเห็นความรู้ความเพียรความใส่ใจสนใจธรรมจะเป็นข้อมูลและความคุ้นชินเป็นวิบากสะสมไว้เมื่อเกิดใหม่จะเป็นแรงหนุนให้เกิดศรัทธาในธรรมเอื้อต่อการเข้าใจธรรมบรรลุธรรมได้ง่ายขึ้นต่อไปเสียงอ่านโดยอริยคุณร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักอธิฐานริมทองกรอบครวสินทวัดเกียรติศักดิ์สิริอินทราธร เจ้าภาพรองสุภาพรเทียนบุญประเสริฐครอบครัวสีโพคาธนรดีอำนาจหานกิจเทียนทองโยธาภักดีประพัศสิริพลังธรรมกุลธนสรศรประสาทไทยสุดาพรตรงสิรินิชามาโซภาร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาสัพพะทานังธรรมทานังชินนาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงการศึกษาหนังสือพุทธธรรมนั้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนคนได้ฟังตั้งแต่บทนำและไล่มาตามลำดับบทจะดีที่สุดนะครับ